นั่งฟังคุหูหอตดมันออกไปม า, ต, ปม ต, าปปตีมันฟังรับฟังแล้วมันนะมก็ตีข้าเรียนที่ถูนี้ย้อนกลับมันจะมีความรู้สึกว่าขอพูดมากกันเ น, นี่นี่ น, นีพูดไปตรงตรงเยอะมาแต่คนอื่นเข อ, อาจจะข้าใจอะไร้แต่เราพูดงตัวเราพอพอเราเห็นว่าเรา เรื่องที่ถูกรู้เราก็เลยไปเอามันเจอแล้วเพูดููยที่ว่าว่าว่าเป็นผู้รู้เนี่ยาเห็นัเลยว่าู้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยว่าไอ้ต่างๆมันเกิดขึ้นเสร็จแล้วมันก็เลยไม่เหลือเลยไม่เหลือทั้งทั้งที่คุณหมอพูดแล้วก็ไม่เหลือทั้งผู้รู้ด้วยมันก็เลย ความเฉยเฉยไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนตอนเริ่มเริ่มที่มันที่มันทำปฏิิริยาตอนแรกพอรู้ทันแล้วมันเฉยเฉยมันจบไม่ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรในใจหรอกอืมอันตอนนี้โยมมูดบอกว่า ใจมันเลยว่างเฉยๆไปเลยใช่ไหมใจมันเลยว่างไปหมดเลยเฉยๆไปหมดเออตอนนี้ตอนนี้นักขณะนี้ณขณะนี้ใจมันเลยว่างไปหมดเลยมันเลยเฉยโยมมูดอย่าไปรู้ที่ใจว่างอย่าไปสนใ จ, จนใจที่ว่างอย่าไปสนใจที่ว่ามันเลยว่างมันเลยเฉยไปเลยอย่าไปสนใจให้ค่าให้ความสําคัญตรงที่ว่าใจว่างใจเฉยเป็นอันขาดแเลยตรงนั้นอันตรายให้ย้อนกลับมาถามเราว่า คนที่นั่งในที่เนี้ยทุกคนเนี่ยเขารู้ไหมว่าใจเราว่างใจเราเฉยโยมหมูรู้ไหมว่าเหตุถ้าถามใจแล้วว่าคนที่นั่งในที่นี้ทุกคนเนี่ยรู้ไหมว่าใจเราว่างใจเราเฉยอ่รู้ไหมเอาไม้พูดสิมารู้ไหมคนภายนอกจะไม่รู้เลยว่าตอนเนี้ยใจหมูว่างเฉยเลยแต่หมูมีหมูรู้คนเดียวเองว่ะตอนเนี้ยใจฉันว่างใจฉันเฉยเลยแล้วฉันอยู่กับใจที่ว่างใจที่เฉยมากเลย อันนี้อันตรายมากนียอันนี้ผิดผิดผิดผิด <im itation> ให้ทวนกระแสเข้ามาถามใจว่าคนทั้งหลายในที่นี้ไม่รู้หรอกว่าเราใจว่างใจเฉยเลยมีแต่เรารู้อยู่คนเดียวให้รู้ตรงที่เราอะรู้ตัวเราเนี่ยตัวเราที่ไปรู้ใจว่างใจเฉยตัวเราพูดไม่หยุดเลยตัวนั้ น, น่ะบู๊เนี่ยใจตัวนั้ น, น่ะพูดอยู่ตลอดเลยแล้วก็ให้รู้แต่ตัวเราเนี่ยที่ที่มันน่ะพูดไม่หยุดอย่าไปหมาย ความว่างความเฉยเป็นนังขาดเลยให้ปล่อยวางตัวเราเนี่ยจุกจิกจุกจิกจุกจิกจุกจิกสิ้นผู้เสวยไอ้ตัวเราที่มีอาการจุกจิกจุกยิกพูดไม่หยุดในใจเนี่ยจึงจะพ้นจักทุกข์ได้สิ้นผู้เสวยน่จึงจะบรรลุพระนิพพานสิ้นผู้ยึดไม่ใช่ว่าใจอ่ะมันว่างนิ่งเฉยสงบมันถึงเป็นนิพพานตรงนี้ต้องต้องเลิกเลยต้องต้องหัก ทงหักเป้าหมายในใจที่ว่าใจว่างเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูอะโยมูพูดตรงนี้หลายครั้งแหละแล้วหลวงตาเขาย้ำตัดเข้าหาผู้รู้ตัดเข้าหาผู้รู้ใจว่างเลยตอนนี้มันว่างไปหมดเลยอยู่กับปัจจุบันที่ใจมันว่างอยู่บนดใจว่างอันเนี้ยผิดกันมาเยอะมากนั้นหลงมาลงคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยหลงตรงนี้เยอะมากเลยเพราะว่าไปตั้งเป้าหมายตรงเอาที่ใจว่างต้องทวนกระแสเข้าหาว่าเนี่ย ทุกคนที่นั่งทีนี้รู้ไหมว่าเราใจเราเนี่ยว่างเลยไม่มีใครรู้สักคนมีอยู่เราอยู่คนเดียวที่เรารู้ว่าใจเราว่างนั่นแน่ให้รู้ที่ตัวเราเนี่ยว่าแท้จริงเนี่ยในความว่างอะ่ะมีตัวเราพูดไม่หยุดเลยแล้วก็ให้สักต่วัรู้ตัวเราที่พูดไม่หยุดจนสิ้นความสิ้นเสวยสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นตัวเราเรียกว่าปล่อยวางตัวเราหมดสิ้นเรียกว่าละอุปทานขนาันห้า จึงบรรลุนิพพานไม่ใช่ใจที่ว่างบรรลุนิพพานนะละอุปทานขันธ์หาไอตัวหลังที่พูดไม่หยุดนี่เนี่ไอตัวที่พูดไม่หยุดนี่เนี่ยคือไอตัวจิตหรือวิญญาณในขันธ์ที่ห้ามันทํางานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขานอีกสามขันธ์เวลาไปรู้อะไรแล้วมันจะต้องเอามาภาคเอามาพูดอยู่ในใจไปเห็นอะไรมันก็เอาเข้ามาภาคมาพูดในใจวันนี้ก็าแต่งตัวสวยจริงๆวันนี้แต่งแต่ตัววันนี้ก็แปลกไปนะวันนี้ยังวันนี้เงี้ยอะไรมันก็จะภาคจะพูดอยู่ในใจตลอดเวลาได้ยินอะไรมันจะภาคจะพูดดใในจตลลอเวา มันไปจมูกได้กิ่นอะไรตามองเห็นอาหารตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นที่เรากินกันมาเนี่ยตามองเห็นพอเราลิ้มตามองเห็นพูดก่อนแล้วโอ oh, ้วันนี้ทำมันทำไอ้นุ่นโอ้วันนี้ไอ้นี่อ่านวันนี้เออมีไอ้ น, นุ่ น, น, น, นมีไอ้นีมมมม่มันก็พูดแล้วไอ้อาหารไม่ได้พูดแต่ไอ้จิตวิญญาณขันเนี่ยมันมันรู้ปุ๊บมันก็เหมือนกับตัวเราเนี่ยจิตวิญญาณขันข่ะแต่ความจริงเราจะรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนไปรู้ตัวเราเป็นคนไปรู้แล้วตัวเราก็จะพูด แต่ตัวเราที่รู้สึกว่าตัวเราไปรู้แล้วตัวเราพูดเนี่ยไอ้นั่นเนี่ยคือจิตหรือวิญ ญ, ญาณหักขัในขันที่ห้ามันไปรู้ปุ๊บมันจะต้องส่งต่ออีกสามขันคือเวทนาสัญญาสังขารคือส่งต่อถูกใจไม่ถูกใจหรือว่าไม่ถึงขัน้นถูกใจไม่ถูกใจแล้วจําได้ไหมรู้ว่านี่อะไรเป็นอะไรแล้วก็ส่งต่อสังขารคือคิดปรุงปุ ง, ปงคิดภาคภาคว่าไอ้นี่เป็นอะไรอะไรเช่นอาหารเขามาเสิร์ฟบนโต๊ะโอ้โหนี่นี่ปลาอุ้ยนี่หมูนี่เนื้ออูือม่ากินหอมน่า ก, กินจริงจอะไรเงี้ยมันก็จะพูดแล้วภาคอยู่นั่น แต่ปลาหมูเนื้ออาหารที่มันกลิ่นโชยมาเนี่ยมันไม่ได้พูดแต่มันมีไอ้ผู้รู้เนี่ยเนี่ยผู้รู้คือจิตหรือวิญญาณเนี่ยเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนไปรู้คนอื่นก็ก็ไม่รู้หรอกว่าเรากําลังได้กลิ่นหอมไะมันน่ากินเนี่ยเราพูดเลยในใจมันไม่รู้หรอกแต่เราเนี่ยไปรู้อาหารเราพูดใหญ่เลยแม่ประตคานี่มันน่ากินจริงๆนอาหารประตคารนี่กลิ่นมันหอมจริงๆเม่อใดจะกินก็หอมอยู่ขนาดนี้แล้วมันคงจะอร่อยอ่ะมันก็พูดอย่างกันไงนี่หมูนี่เนื้อนี่ปลาเนี่ยนะดยนเีวั คนอื่นไม่รู้หรอกว่าเราพูดอะไรแต่เราสิจะรู้ว่าตัวเราพูดอะไรให้สังเกตแต่ตัวเรารู้ตัวเราแล้วก็ปล่อยวางตัวเราสิจนที่ดินพุ่งเสวยตัวเราที่ที่มันพูดไม่หยุดมันรู้อะไรมันได้ยินอะไรมันสัมผัสอะไรมันจะพูดไม่หยุดเลยใจเราว่างก็จะไปอยู่กับใจที่ว่างให้ทวนกระแสเข้ามาหาไอ้ใครละเป็นคนรู้ว่าใจเราว่างคนในนี้ยนั่งทั้งหมดเนี่ยมันเขาจะไม่รู้เลยว่าใจเราว่างแต่ถามเขาจริงจริงใครละรู้ใจเราว่างถามในนี้่รู้ไหมว่า ใจโยมูดวางไม่มีใครรู้สักคนเดียวยเราตีเป็นคนรู้ไอ้เราเนี่ยนะคือจิตวิญญาณาขาันไปรู้แล้วมันก็จะพูดมันก็จะภาคเราก็รู้ตรตัวเรานั้นี่ยจนปฏิบัติไปสิ้นผู้สเสวยตัวเราเรียกว่าสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นตัวเราแล้วเรียกว่าละอุปท า, านขันห้าหรือปล่อยวางขันห้าก็จะพ้นจากทุกได้